Book 2 99 99 2> คําแสดงความเป็นเจ้าของรอดนึยสคลอนแมวของแฟนดิฉันคอตมายอยสับรอวคิ สุนัขของแฟนดิฉันซาบาคาไมฮุชาบะมของเล่นของลูกดิฉันชัดสกิไมก์เจจีนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเฮตตาพลิลตัวไมฮุคาลีฮินั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน เฮมบิลมยยคเลหนั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันฮเรบูตมาคกระดุมของเสื้อหายไปฮูิกอตคลอวากุญแจโรงรถหายไป คอพ ร, ระเผาคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียมพิวเตอร์นาชานิกัสเปใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงบักชนกดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Як ม не Прасти До Дома Я Е Батько บ้านอยู่ตรงสุดถนน д ом Стоит У к о н ц ы В Улицы เมืองหลวงของสวิสเตอรแลนด์ชื่ออะไร Як называється столица Швейцарии หนังสือชื่ออะไร ยาก่นาชื่อขอ н і นลลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรยากชเด็กโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง คาลิอด็อกตระห ด, ดีในพระยโมเวลาทําการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรยากี่ยากดีในประจําพิพิธ